Thank mm -hmm. you. ทำกัน้พ่จจะพูดให้ฟังสิ่งที่ได้พูดเนี่ยเป็นสิ่งที่พบเห็นมาไม่ใช่คิดเห็นพบเห็นกับตากับหูกับมือมาเป็นของจริงเมื่อวันได้พูดถึงการเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมการเคลื่อนย้ายการขดส่งก็ เปิดของที่ปิดการหงายของที่คว่ำการเอาของขี้เลี้ยวออกจากชีวิตจิตใจของเราเห็นกายสักว่ากายเห็นเวทนาสักว่าเวทนาเห็นจิตสภาวะจิตเห็นธรรมสักว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุกคลตัวตนเราเขาจิตใจก็จะบริสุทธิ์ขึ้นเกิดฌาณทัศนามีปฏิปฏาทาดําเนินชีวิตเบาบางชางคลายจาก ความผูกพันจากการคล้องเกี่ยวต่างๆเกิดเห็นมีสติเก้าหน้าเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปทำนามทมตามความเป็นจริงทำไมเราจะไม่เห็นมันตามาก็เห็นอยู่สัองผ่าได้อยู่ทีสัองผ่ากับรูปมันก็ไม่อยู่เป็นรูปจริงๆเป็นรุ่นเป็นกอด มีนามจริงๆมีความรู้อะไรได้มันร้อนก็รู้มันหนาวก็รู้มัใช่ยก้อนหินก็ตินมันเจ็บมันปวดก็รู้ความรู้มันไม่ได้หลายอย่างบางทีมันก็สั่งให้เป็นสุขเป็นทุกข์สั่งให้โลภให้โกรธให้หลงเรวันนามสั่งให้โลภทำดีสั่งให้โลภ ท, ทำชั่วพูดดีพูดชั่วคิดดีคิดชั่วก็เป็นนามที่มันมีอานาจมันเป็นใหญ่ เหมืนกัว่ารูปเนะี่ยเป็นบ่านามเป็นนายจิตเป็นนายกายเป็นเบารับใช่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นรูปน่าสงสารน่าสงสารสงสารอะไรก็ไม่เท่าสงสารรูปสามสิบปีจึงมาเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้ช่วยรูปไม่ได้ดูแลเลยปล่อยปลและเลยให้หมักหมมให้จมอยู่กับสิ่งต่างๆ วามามีสติมาเห็นว่าเป็นรูปเป็นนามกระตือรือร้นที่จะเข้าไปช่วยเพราะมันเป็นหน้าที่ที่ต้องช่วยจริงๆรูปเนี่ยมันเป็นรูปทุกข์น่าสงสารหายใจเข้าหายใจออกต้องคืนน้าลายต้องพิบตาต้องหลับต้องนอนต้องกินต้องถ่ายต้องเคลื่อนต้องไหวเห็นรูปที่ทุกข์ทุกข์ขังทุกข์เวทนาต่างๆ ต้องกระตือรือร้นช่วยรูปสิ่งไหนที่ทําให้รูปเป็นทุกข์ช่วยตั้งแต่ตัวรูปมันก็เป็นทุกข์อยู่แล้วแล้วก็ยังมีสิ่งอืน่นทําให้รูปเป็นทุกข์เห็นความนามที่ความโกรธความโกรธความหลงความปองแต่งความเศร้ามองก็ยิ่งทําให้รูปมีภาระบางทีส่วนรูปมันก็เป็นรูปธรรมดาแต่นามก็เสริมส่งเสริมให้ทุกข์เข้าไปเห็นความร้อนความหนาวความหิว มันก็เป็นทุกข์ของรูปน้ําก็ยังสําคัญมั่นหมายก็เป็นทุกข์เข้าไปอีกสองต่อความร้อนก็เป็นธรรมชาติเป็นอาการของรูปธรรมดาแต่ว่านามก็เข้าไปส่งเสริมให้เป็นทุกข์ให้เป็นพระกินเหล้าสุภุรีก็ไปอีกทําให้รูปเป็นทุกข์พอมาเห็นทุกข์เนี่ยก็ตื่นรุ่นที่จะแก้ไขที่จะเอาชนะทุกข์เคยสุภุรีก็เลิกสุภุรี แต่ว่าเล่าไม่เคยกินก็ไม่ค่อยเป็นภาระความทุกข์ที่เป็นทุวมทุกข์ที่เกิดจากรูปจากตามในทำไดจริงจริงความทุกข์ที่มันเกิดจากสิ่งภายนอกเนี่ยก็ต้องเกี่ยวข้องกับมันได้ถูกต้องความทุกข์ที่เกิดจากภาย ใ, ใ, ในแก้ได้ทันทีเปลี่ยนได้ทันทีอย่าตื่นหรือหล่นเห็นรูปเห็นนามตามความเป็นจริง ในรูปในนามนี่มีอะไรต่างๆที่เกิดอยู่ในกองรูปกองนามเหมือนกันทุกคนทุกชีวิตเป็นสามั ญ, ญลักษณ ะ, ะเสมอกันจะเป็นคนชาติใดลัทธิใดที่กายใดเพศใดวัยใดเหมือนกันหมดหรือว่าสามั ญ, ญลักษณะมีความเป็นอยู่เท่ากันเช่นเวลานี้พวกเราที่นั่งอยู่ใน สาราหอใจนี่ก็ได้รับเท่ากันมีความเย็นความหนาวเท่าเท่ากันไม่มีใครแม่หนาวสัมผัสได้เท่ากันความร้อนถ้าละอองฝนก็หนาวเหมือนกันถ้าแสงแดดก็ร้อนเหมือนกันถ้าหิวก็หิวเหมือนกันถ้าปวดถ้าเมื่อยก็เหมือนกันเรีวยกว่าสามัญลักษณะเป็นอาการของโลกอาการของโลกมีมาก หลายอย่างความร้อนความหนาวความหิวความโปรดความเมื่อยแต่ก่อนนี่เรียกว่าเวทนาพอมาเห็นเป็นรูปเป็นนามเราไม่ได้เรียกว่าเวทนาแล้วเรียกว่าเป็นอาการเบากรัวเกาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับนามความโลภความโกรธความหลงความร้อนความชังความวิตกกวงวลความเศร้าหมองแต่ก่อนก็เรียกว่าธรรมอารมณ์เป็นธรรมพอมาเห็นเป็นรูปเป็นนามเรียกเป็นอาการเหมือนกัน เป็นอาการที่เกิดขึ้นกับจิตกับรูปกับนามไม่ใช่จิตเป็นอาการของจิตคือนามความรู้อะไรได้ล่ะคือนามเป็นอาการของเขาไม่ใช่ตัวมันแต่ก่อนเราไม่รู้อะไรก็เป็นรุ่นเป็นก้อนทั้งหมดเพื่อตนตัวกูตัวเราไปเสียทั้งหมดบบบนี้พอมาเห็นเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมเห็นเป็นอาการเป็นอาการเบาๆไม่หนักถือว่า นิดหน่อยไม่ยุ่งไม่ยากเหมือนเมื่อก่อนแต่ก่อนในย่งยากในกายก็เอาไว้เป็นสุขเป็นทุกข์ในใจก็เอาไว้เป็นสุขเป็นทุกข์พอมาเห็นเป็นรูปเป็นนามแล้วน่ะเห็นเป็นรูปเป็นนามเอาไว้เป็นปัญญาในรูปในนามก็มีแหล่งปัญญาด้วยอาการที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามเนี่ยได้หลายอย่างนะจะเป็นกิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปด มันก็ตกอยู่ในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นตกอยู่ในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนลุยไปเลยลื่นไปเลยลื่นลื่นล่มลื่นหรือเรียกว่าลาบลื่นแต่ว่าแล้วนะถ้าเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับรูปความนามตกอยู่ในสามัญลักษณะไต่ลักความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตน แล้วมองเข้าไปอีกในความไม่เที่ยงอย่างที่เราสวดเมื่อกี้เนะ่ะเมื่อได้บุคคลเห็น ด, ด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อนั่นย่อมในในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งผลิพานอา้าวมองโไปแบบนี้เหมือนกันลื่นราบลื่นไปเลยในความไม่เที่ยงก็เป็นทางที่ดําเนินไปสู่มรรคผลในผ่านได้เห็นความไม่เที่ยงเนะี่ยเห็นความไม่เที่ยงเอียงไปสู่มรรคสุผลต่างเก่า แต่ก่อนนี้เราเห็นความไม่เที่ยงนะเอามาเป็นทุกข์เสียอกเสียใจในความไม่เที่ยงเศื่อหมองในความไม่เที่ยงทําให้สะดุ้งวาดผวาในความไม่เที่ยงพอมาเห็นด้วยสติด้วยปัญญาแล้วมันเป็นทางแห่งมรรคผลในผ่านไปเลยเราว่าบ ล, ลื่นราบลื่นในชีวิตแบบนี้นะลาบลื่นในธรรม ไม่ใช่ลาบลื่นแบบได้เงินได้ท้องมีผู้เสละเสริญมีผู้ยกช่องมีผู้ช่วยเหลือมีอะไรที่มันอำนวยให้เกิดความสะดวกหรือว่าลาบลื่นแบบนั่นนะลาบลื่นแบบนั่นมันลาบลื่นแบบอ่อนแอพึ่งพิ ง, พ ง, พงสิ่งอื่นเรียว่านี่ล่ะมิตรสุขที่ต้องลาบลื่นด้วยออมิตรต่างๆอันนั้นไม่ใช่ถ้าถือว่าภาษาธรรมเราอ่อนแอความลาบลื่นเนี่ย ในเห็นสัมมัญลักษณะเห็นไตรักในลาบลื่นเ ม, มื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์อ้าความทุกข์ก็ลาบลื่นล่ะเมื่อนอนยอมเหนื่อยในในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าธรรมทั้งปวงไปน่าดัตตาก็ตกอยู่ในสัมัญลักษณะไตรักเมื่อนอนยอมเหนื่อยในในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพาน ในพระนิพานมันก็คือตรงกันข้ามกับไม่ใช่ในพานสิ่งที่ไม่ใช่ในพานคือสังขารปรุงปรุงแต่งแต่สิ่งที่เป็นในพานก็วิสังขารไม่ปรุงไม่แต่งตรงกันข้ามเห็นกระแสท่านเห็นกระแสแห่งพระนิพา น, นะมันราบลื่นแบบไห้ชีวิตนะแต่เป็นคาถาของพระอรหันต์ก็ท่องจับให้มากๆ ในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในความไม่ใช่ตัวตนในความไม่เที่ยงเป็นพระนนผ่านในความเป็นทุกข์เป็นพระนิพ่านมีคนขอท่องคาถาพระอรหันต์โมเน็คอายุยืนร้อยปีร้อยกว่าปีได้เหมือนกันเพราะฉนั้นเราเห็นแบบนี้แหละมันไม่มีคลื่นนะ่ะชีวิตเราเรียบโเ ก, ก่ า, กาเบาวิวนะเป็นกายละหัวตาเบาเบาจิตละหัวตาจิตก็เบากายก็เบา พอเห็นลูกทำรรเห็นนามทำรรแล้วมันเปิดโปงมันเปิดเผยไม่มีที่ลี้ที่ลับสิ่งไหนที่ไม่เป็นธรรมหลุดหล่นออกไปสิ่งไหนที่เป็นธรรมเกิดขึ้นกุศลธรรมเกิดขึ้นความเฉลียวฉลาดสติปัญญาความหยุดความเย็ดความปล่อยความวางเกิดขึ้นผุดขึ้นมาเป็นโอปปาติกะสิ่งไหนที่มันเป็นทุกข์เป็นความ เศร้าโศกเศรมองของว่หลุดหล่นออกไปเพราะมันเป็นธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเป็นการเปลี่ยนแปลงหลวงพ่อเทีย น, นว่ามันชีวิตมันเปลี่ยนจิตใจมันเปลี่ยนเนมันเปลี่ยนตรงนี้ด้วยเปลี่ยนจริงๆถ้าจะเปลี่ยบเหมือนกรรมเราวิธีกรรมเราโบมกล้วยเราบบมกล้วยไม่ต้องไปใช้สมองไม่ต้องไปใช้เหตุผลอะไรเพรียงแต่เอากล้วยมายัดใส่หม้อ เอาใบตองยัดเข้าไปเอาแกลบใส่หม้อลูกหนึ่งตั้งปากหม้ออง่งแล้วก็เอาดินมาเยี่ยวมายาแล้วเอาจุดไฟเผาแกลบในกำเป็นงั้นเราไม่ต้องไปคิดว่าขอกล้วยจงสุขขอกล้วยจงหวานจากดรดกล้วยที่ฝาดขอให้เป็นดรดกล้วยที่หวานไม่ต้องไปคิดเป็นเปลิงสมองมี่การกรกทํา สี่วันห้าวันเจ็ดวันเปิดออกกล้วยสีเขียวเป็นสีเหลืองกล้วยลดผอดเป็นลดผ่อนไปเลยนี่กรรมมันจําแนกไปการศึกษาชีวิตของเราก็เหมือนกันกรรมมันจําแนกไปมันหลุดไปเองไม่ได้ไปสู้ก็ไปเลยความเป็นจริงท่านหลักสัจธรรมถ้าสู้แั้ไม่ใช่แล้วต้องมีการกระทําทําอย่างนี้มันเกิดจากนี่ขึ้นมาทําอย่างนี่มันเกิดจากนี่ขึ้นมามันเป็นปัญญา ปัญญาพุทธะนะมันเป็นแบบนี้ปัญญาพุทธะเห็นรูปทำเห็นนามทำเห็นรูปทุกเห็นทุกของรูปเห็นทุกของนามความทุกขมันก็โชเหมือนเราคือหาเหตุถ้าเห็นเหตุมันก็มันก็โชบอกว่านี่คือเห็ดเราก็เจ็บเอาเหตุอันไหนที่มันไม่ใช่เหตุที่มันกินได้ก็เห็ดก็เบื่อเราก็ไม่เจ็บนะมันก็เลือกเป็นชีวิตที่เลือกเป็นโดยเฉพาะความทุกโชที่สุด ออกหน้าออกตากลัวอย่างอื่นเพราะมันตรงกันข้ามกับความไม่ทุกข์พระพุทธเจ้าในหลักการตัดสัตว์ญาติสัตว์สี่เนี่ยเห็นทุกข์เนี่ยดูซิไม่เห็นอะไรหรอกเห็นทุกข์เป็นการเห็นอย่างเป็นสื่อเห็นของเก่งเห็นของเก่งของพระอริยเจ้าเห็นทุกข์นี่ยพอทุกข์แต่แท้ทำให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแต่ไม่เห็นทุกข์เราไม่เป็นพระพุทธเจ้าทุกข์ก็ต้องวางอย่างก็มีหลายทุกข์ ทุกบางอย่างกาหนดรู้ด้วยสติปัญญารู้แล้วเป็นทุกขังทุกขเวทนากําหนดรู้รู้แล้วจบรงแคลนั้นรู้แล้วทุกวางอย่างกาหนดรู้ด้วยการบรรเทาเช่นเราหนาวก็เอาผ้ามาหม่มเปลียงแดดเปียงไฟถ้าหนาวมากๆแต่ก่อนคนแถวนี้เนี่ยไม่มีผ้าหม่มนอนเปียงไฟแล้วก็สมัยยี่สิบกว่าปี30ิปีเนี่ย ทีวัดนี่ก็ไม่เหมือนทุกวันนี่เพราะผมไม่มีมีแต่กีบอนกีบอนเก่านี่ยซักแล้วเอามาพับไว้ถ้ามันขาดก็ปะพับไว้เวลาหน้าหนาวเอามาห่มหนาวมาว่ากเนยนอนนอนบนกะตีไม่ได้ต้องลงไปนอนบนใบตองเอาใบตองมากวดกองกันสูงๆแล้วก็นอนทับลงไปใบตองมันเป็นหลุมแล้วก็เอาผ้าห่ม มันอุ่นกว่านอนบนกระติกมันนอนไปได้บนกติมันหนาวนี่ก็ทุกวังอยากกับโดนรู้โดยาการบรนเถารู้จักบรนเถาไม่ใช่ปล่อยตัวอย่างนอนหนาวไม่มีผ้าห่มจริงก็เปลี่ยนไฟเนี่ยบันเทาเขินหิวข้าวก็ต้องกินข้าวไม่ใช่ไปทุกข์ใจทั้งหมดนะใจนี่ไม่ต้องไปแต่ต้องน้ํำนี่มันฝึกได้นะฝึกได้กลัวกายไม่ต้องให้มันเป็นอะไรเลยเกีย่ยวกับกายต้องเกี่ยวข้อง แต่เกิดจนตายแต่หิวข้าวก็หิวจนตายต้องกินจนตายถ่ายก็ถ่ายจนตายอาบน้ํากินข้าวอะไรต่างๆอั น, นั้นมันกําหนดรูปหรือการบรรเทาเรื่องของน้าของกิดใจนี่ไม่มีคบบําว่าบรรเทาละได้ทุกขิรศสัต์ทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ ต, ตัวน่ะเป็นของที่ง่ายกลัวกายน้ำเนี่ง่ายกลัวกายแต่บางทีเราพูดว่าโอ้ทําใจได้ยาก ปฏิบัติยากเรื่องใจเนี่ห้ามยากไม่ใช่ไม่ใช่เด็ดขาดพอมาเห็นว่าเป็นรูปเป็นนามเนี่ยโอ้ยเรื่องของกิตใจง่ายเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนไม่เป็นอะไรไว้ก่อนเขีนความหยุดความเย็นความปล่อยความวางที่เกี่ยวกับผิดใจเนี่ยง่ายง่ายแป๊บเดียวจบทันทีแป๊บเดียวจบทันทีไม่เหมือนกายกายถ้าหิวข้าวโอ้ก็ต้องกินข้าวไม่แม่กลัวทางวัดป่าสุขโตเวลานี้โคทําอาหารให้เราก็ เอาแล้วเดี๋ยวนี่นึน่งข้าวหงข้าวแล้วอยู่ในโรงอาหารกว่าที่ได้กินเน่ต้องผ่านมือผ่านกรรมวิธีหลายอ่าเวลามากินก็โอ้ยเหนื่อยนะเกือบยี่สบสามสบนาทีต้องเคี้ยวต้องมือต้องปากต้องตาต้องถ้วยต้องชามต้องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยฮะสงสารต้องกินเพื่อจะอิ่มอิ่มแล้วก็ล้างมือแปลงฝัน แต่ว่าใจนี่ง่ายง่ายนะเราอย่าไปคิดว่าโอ้ทําใจยากไม่ใช่ไม่ใช่เด็ดขาดเลยใจเนี่ยง่ายง่ายเป็นเรื่องที่เอาไว้ก่อนทันทีไม่เป็นไรไว้ก่อนออกตาออกตามาถึงก่อนรวมรู้สึกตัวมีสติกับกิจกับใจได้โอ้ยเป็นปีเป็นลุยเกิดเอาไว้ก่อนถึงก่อนใจมาก่อนใจมาก่อนสําเร็จไว้ก่อนสําเร็จไว้ก่อนดังภาษิตว่า มโนปุพังคมาธรร ม, มามโนเสรษฐามโนมายาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จได้โดยดจิตใจใจถึงก่อนใจสําเร็จก่อนสําเร็จอะไรในใจถ่อนถ้าถ้าเป็นทุกข์ก็ไม่ต้องทุกเลยใจถ้าเป็นทุกก็เป็นทุกเรื่องกายเหมือนพระพุทธเจ้าว่าพระเรียเจ้าถูกสอนดอกเดียวปุตุชนถูกสอนสองดอก สอก็คือความเจ็บปวดเจ็บใจด้วยเจ็บกายด้วยเสียใจด้วยสวยกายด้วยเจนนาเรกามันเสียเสียทั้งใจเสียทั้งนาเรกาถ้าพระเรียกเจ้าเสียเฉพาะนาเรกาใจไม่เสียความเจ็บก็เจ็บเฉพาะกายใจไม่เก็บนะมันถูกสอนดอกเดียวใจเนี่ยสำเร็จสําเร็จจริงจิงกิดใจเนขอให้เราได้มองไปให้มันเห็นทิศทาง อย่าไปปล่อยทิ้งถ้าเรามาศึกษาเนี่ยโอ้มาเห็นรูปเห็นดามเห็นรูปทุกเห็นนามทุกช่วยยังเก่งนะช่วยรูปช่วยดามทำไมให้มันเป็นทุกการช่วยไม่ให้ทุกเนะี่เป็นงานชอบเป็นการงานชอบที่สุดเลยไม่มีอะไรที่จะชอบเท่ากับช่วยตนไม่ให้เป็นทุกเหมาะสมที่สุดมันเป็นบุญด้วยการช่วยตัวเองไม่ให้เป็นทุกการไม่ให้ตัวเอง เป็นทุกข์เป็นโกรธเป็นโลภเป็นหลงเป็นการทําบุญถ้าปล่อยแต่อย่งเป็นทุกข์โกรธโลภหลงนะเป็นบาปด้วยนะเป็นบาปด้วยผิดศีลด้วยถ้าให้แต่อย่งเป็นทุกข์น่ยผิดศีลเพราะนั่นเนี่ยปฏิบัติทำในทุกข์เนี่ยคาว่าทุกข์นิดหน่อยไม่เอาแล้วบริสุทธิ์หมดจดจากเครื่องเศร้ามองอย่างนี้นะรูปทุกข์นามทุกข์กลุ่โลกมันมีหลายอย่างที่เกิดอยู่บนรูปบนนามเนี่ย มันเปิดตัวออกมามันบอกรูปมันบอกน้ำมันบอกเปิดโปรงออกไปโูกโลกน้ำโลกโลกของรูปโลกของน้ำอโลคยาปรมาราภาความไม่มีโลกเป็นลาบันไปสืบโลกของรูปโลกของน้ำนี่มากเหมือนกันโลกของรูปนะบางทีเกิดเป็นโลกเพราะเราไม่ใช่ชีวิตไม่ถูกต้อง ถ้าเราใช้ชีวิตถูกต้องโลกก็หายอโรคยาปรมาร า, าคาความไม่มีโลกเป็นล้าปันปเสื้อเราก็ไปแบบนั้นโลกมันหลายอย่างรูปโลกนามโลกความโลกความโกดความหลงความ ล, คามลกความชังกิเลสตหาละคะความไปตกกังวลเศรมองเป็นโลกของนามรักษาได้เด็ดขาดไม่ต้องอาศัยยีย่ยวยาหามุข ห, หมอ มีทำเข้าไปไมีความรู้สึกตัวเข้าไปปล่อยวางเข้าไปหยุดเย็นเข้าไปการหยุดนี่มันไม่ยากการเย็นมันก็ไม่ยากการปล่อยมันก็ไม่ยากการเมตตากรุณาไม่ยากมองเห็นปัญญาว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอย่างนี้เป็นการทํานายชีวิตดูอะไรดูออกลื่นแล้วจบลงแล้วจบลงตั้งแต่สี่สิบปีแล้วเรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตน เมื่อเสียงนั้นมันเกิดขึ้นก็ดูลู่แล้วลูกก่อนสี่สิบปีมาแล้วเรื่องนี้นะมันเป็นของที่ควบคุมมันเป็นกฎตายตัวไม่ต้องเป็นทุกข์ต่อไปลูกโลกน้ำโลกโลกของน้ำเนี่ยหายไม่มีอะไรเหลือแล้วหมดจดเจ้าเครื่องสกบุหมดจดเลยทุกลูกโลกโลกของลูกก็มีเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็พอเรามีสติมี ความเกี่ยวข้องกับรูปกคำนามถูกต้องแล้วก็อาพาธก็น้อยนะอาพาธก็น้อยกิตเป็นสะอาดบริสุทธิ์บริไม่สูบเล่าไม่กินไม่โกรธไม่โลภไม่หลงกิตใจเรียบเรียบกิตใจไม่มีคลื่นชีวิตไม่มีคลื่นไม่ยินดียินไล่ไม่ฟูฟูแฟบแฝบเหมือนรถที่วิ่งทางเรียบเรียบแล้วก็ไม่สุดไม่ส้มชีวิตของเราที่มันเป็นทางเรียบ หลวง เ, เคยพูดอยู่เสมอว่าชีวิตต้องปูพรมปูพรมให้กับชีวิตตนเองพรมชีวิตก็คือเมตตากรุณามเมตตา อ, อเปกขาปล่อยวางหยุดเย็นเร็บเรียบเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เมื่อนอ่งย่อมหน่ยหน่อยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงเลอบลื่นราอะเรียบไปในตัวเอเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่ใช่ตัวตนเหมือนกวาดเรียงเก่าไปหมดเลยชีวิต ราบเรียบเหมือนหน้ากองใส่ชีวิตแบบนี้ศาสนาพรีอริยเมตตาจะมาตัดสรลกให้เราได้เห็นหมายถึงที่ปฏิบัติธรรมเอาทำคำสอนของพระสมณะโคดมเลยแหละมาปฏิบัติจนเจริญก้าวหน้าต่อถึงพรีอริยเมตตาลูกโลกน้ำโลกลูกสมมุติน้ำสมมุติออกมาลื่ถอนไปหมดเลยนะส ม, มุิบัญญัิโอ้ยเต็มไปเลย สมมติว่าตาเห็นลูกสมมุติว่าดีสมมุติว่าไม่ดีหูได้ยินเสียงสมมุติบัญญัติว่าชอบว่าไม่ชอบถูกกาหนดด้วยสมมุติบัญญัติไม่เห็นปรมัตทสัจจะมีแต่บัญญัติบัญญัติบัญญัติบัญญัติบัญญัติเอาฉันชอบฉันไม่ชอบทําตามความชอบทําตามความไม่ชอบสิ่งที่ชอบสิ่งที่ไม่ชอบบัญญัติต่างว่าละต่างอะไรกัน ของอย่างเดียวสมมติว่าชอบของอย่างเดียวสมมติว่าไม่ชอบสามีพัญญาบางคนสมมติขึ้นมามาฉันไม่ชอบเบื่อหน่ายแล้วบัญญัติออถูกสมมติบัญญัติหลอกกลวงก็เจิดเกิดเจิงไม่เป็นผู้เป็นคนไม่รู้จักปรมิศัจจ์ตามความเป็นจริงเห็นสมมติบัญญตัติในโลกนี้เต็มไปด้วยสมมติในโลกเต็มไปด้วยสมมติบัญญัติ คนท่าไหลายไม่รู้สมมติปัญจก็ถูกสมมุติปัญ จ, มมญจทับถูกพอมาเห็นว่าเป็นลูกสมมุตินามสมมุติโอ้ยแต่ก่อนหลวงพ่อก็เป็นหมอนะหมอเศรษศาสตร์นะคาถาอาคมอะไรแต่ไป่บนลยุยลงน้ํ า, า, า, า, าก็ต้องเล่าคาถาเข้าป่าก็ต้องเล่าคาถานุ่งผ้าอาบน้ําล้างหน้ากินข้าวมีคาถาเลี้ยนจนว่าท่องตั้งแต่หัวขมจนสว่างก็ไม่หมด ตะวันไหนนี่ไปรักษาคนที่เขาเป็นผีเผีถ้าคาถาไม่เก่งไม่บริกรรมคาถาเราผีไม่กลัวก็จะไปไล่ผีดูดูก็อิโทโสมยุตตัญญานังเอสนโตสวัคดยังทงั้งธรรมโนเปโตยที่มันตั้งเตียนังยตัุกร ท, ที่โอ้ยังจำได้นะ้ะยังไม่ลืมนะสสปีแล้วตั้งแต่ไปท่องคาถนะาเออคาถาพุทธคุณร้อยแปดไล่ผีนะ เห็นสมมุติบัญญัติโอ้โธ่บ่เลยเบวิิ่พอเห็นสมมุติบัญญัติในชีวิตธรรมชาติทั้งหลายมันเป็นสมมุติบัญญัติไม่ใช่ปรมัตัสจักแต่ว่าสมมุติก็เที่ยงไม่ได้มันกับข้าวปลูกที่เรามาเป็นข้าวปลูกข้าวผ่านต้องเอาข้าวเปลือกมาเก็บไว้เพื่อจะทํำข้าวปลูกศาสตราของเราก็เหมือนกันศาสตราแห่งการสมมติบัญญัติมีไหม ศาสนวัตถุศาสนบุคคลศาสนพิธีศาสนวัตถุก็คือวัดวาอารามโบสถ์วิหารลานเจดีย์สถูปอะไรต่างๆพระพุทธรูปศาสนวัตถุศาสนบุคคลก็คือพวกเราอุบาสกคือผู้ชายอุบาสิกาคือผู้หญิงนักปฎิบัตภิกษุสำเนินภิกษุณีเป็นศาสนบุคคลที่เป็นสมมุติขึ้นมาศาสนพิธี วิธีไหวพระทำบุญให้ท่านรักษาศีลจัดดอกไม้ทูบเทียนยังไงบางทีหลวงพ่อไปไประชุมคณะสงฆ์มาสอนเรื่องโต๊ะหมูบูชาหมูเก้าตั้งยังไงหมูเกตตั้งยังไงหมูห้าตั้งดอกยางไงทูบเทียนตั้งยังไงดอกไม้เชิงเทียนยังไงจุดทูบทางไหนจุดเทียนทางไหนอ ะ, อะไรต่างๆจับตละลับวัดยังไงนั่นเป็นศาสนาพิธีศาสนาพิธีส แต่บางทีเราไปเข้าถึงศาสนาพิธีอย่างเดียวจัดให้ดีถ้าจัดไม่ดีก็ทะเลาะกันโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ทำนี้ไม่ถูกใครจัดถามหาด่ากันโอ้ยอย่างเัี้ยอย่างนี้ศ า, าสนาพิธีเอากิ่งกับศาสนาพิธีเรียกว่าพระฮีธาธรรมจัดแต่ภายนอกจัดดอกไม้ทูบเทียนแต่ภายนอกไม่ใช่อัดเตาธรรมเป็นภายในชีวิตของเรา ชีวิตของเรากเกี่ยวข้องกับภายนอกกับภายในของเราบางทีมันไม่มีอะไรแล้วก็อย่าไปจริงส่วนที่จริงๆคือศาสนาธรรมศาสนาของเราศาสนาธรรมคือศีลคือสมาธิคือสติคือปัญญาเมตตากรุณาเป็นศาสนาธรรมอย่าให้ขาดให้แคลนเรื่องแนส่วนศาสนาสามอย่างนั่นก็ตามสมควรที่เราให้มันคล่องให้มันสะดวกเข้น จะเป็นนั่งเทศอยู่คันนาญาติโยมคนน้องอยู่บนลานดินมันก็ไม่เหมาะไม่สมตรงมีวัดว่าอะไรมีกติมีที่นั่งมีอะไรพอสมควรบัญญัติขึ้นมานี่เป็นวัดเป็นว่าศาลานะอันนี้เป็นศาลาหอดใจนะอันโน้นก็เป็นศาลานานะอันนั่นก็เป็นศาลาไก่อันนั่นก็เป็นศาลาไตลักอันนั่นก็เป็นกติวาด สิกานี่กัเป็นเขตภาวะสุกอนี้เป็นเขตภาะสงสมมุติขึ้นมาให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้สมมุตินึ่งก็ใช่ได้แต่ว่าอย่าไปหลงจนยึดมั่นถือมันเป็นสุกเป็นทุกข์ไม่ใช่สมมุติบัญญัติปรมัดสัจจ์ความโกรธเป็นสมมุติปัญญัติความไม่โกรธเป็นปรมัตดสัจจ์ความหลงเป็นสมมุติบัญญัติความไม่หลงเป็นปรมัดสัจจ์ปรมัดนี่จริงตลอดเวลาจริงตลอดเวลา ความโกรธไม่จริงเลยความไม่โกรธจริงกว่าความโกรธไม่เป็นธรรมเลยความไม่โกรธเป็นธรรมกว่าสัมผัสได้กับปรมััสสัจจะที่เราพบเห็นในชีวิตของเราปฏิบัติทร ม, มันไปแบบนี้ล้วก็บำเพ็ญทางกิจมีสติดูกิจมีกิจ ด, ดูกิจมัาทำไมจึงเป็นอย่างนั้นในกิจมันก็มีตัวดูของมันในตัวมันดูเลยของมันเลย ถ้าในตัวมันดูแลของมันนะันความปลอดภัยสูงถ้ามีคนดูแลอยู่ไม่ปลอดภัยสูงเหมือนลูกพ่อแม่เลี้ยงลูกแต่ลูกคนใดต้องให้พ่อแม่ดูแลรักษาอยู่เลี้ยงไม่โตเลี้ยงไม่โ ต, ตพึ่งพาตนเองไม่ได้แต่ลูกคนไหนล่ะพึ่งพาตนเองได้ดูแลตัวเองจนพ่อแม่บอกว่าโพดว่าเออไม่ต้องเป็นห่วงมันนะไอ้ลูกคนนี้ มันดูแลตัวเองได้แล้วอาจาก็เรียกว่าปลอดภัยชีวิตของเราก็เหมือนกันการบำเพณทางกิจมีกิจ ด, ดูกิจมีสติดูกิจมันอยู่ในตัวเดียวกันมันชนะก็ชนะตัวเดียวกันในกิจบนชนะกิจในกิจมันก็แพ้กิจนะถ้าถึงเวลาที่เราบำเพ็ญทางกิจหลวงพ่อเทียนบอกว่าให้สร้างจังหวะไวๆสักหน่อย สร้งจังหวะไว้ๆแม้มีสติดูกายแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งแต่มันก็ดูกิจแล้วตอนนี้นะมันเป็นอันเดียวแล้วแต่ก่อนมันเหมือนว่ากายานุปัสสนาไม่สติเห็นกายเวทนานุปัสสนาไม่สติเห็นเวทนามันผ่านมาแล้วมันสรุปมันสรุปมันสรุปจนเห็นเป็นอาการเห็นเป็นอาการเอ้าดูไปดูมอนไม่แต่กิดไม่แต่กิดไม่สติดูกิดไม่กิดดูกิดเข้าไปเห็นอะไรเห็นกิดเห็นมันคิดตัวคิดอันเดิมตั้งแต่ที่แรกน่ะ ตัวคิดอันแต่ที่แล้วก็ยังมีตัวคิดเข้าไปตัวคิดที่มันคิดขึ้นมาบำเพ็ญทางกิดเห็นมันคิดตัวคิดอันเก่ามันก็เห็นอันเก่าเหมือนกันเห็นเท่านี้หรือเห็นเท่านี้แต่ถึงโอกาสนะตัวคิดที่มันคิดกับตัวสติมันได้โอกาสมันจะเอ๋หลวงพ่อจะเอมันชนกันพอดีตัวสติดูกิดตัวกิดมันดูกิจอยู่แล้วมันกิดมันจก เคลนไว้ออกมามันเห็นจ้าเอกันมันควบคุมมันกับควบคุมมันกัแพ้หรือ ว, ว่าได้ชัยชนะก็จิตชนะจิตจิตก็จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้อีกเทีานั้นเปลี่ยนตรงนี้มากทีเดียวเขีพอไปเห็นบําเพ็ญทางจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตดรัสลู้คือบําเพ็ญทางจิตนะคือบําเพ็ญทางจิตใจนี่วิธีเจริปฏิบัติมันเป็นสูตรนะไม่ใช่ ดุมดุมเดาเดาสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ใช่มันเป็นสูตรของมันอยู่การปฏิบัติเนี่ยยกมือขึ้นดูสิมันก็เปลี่กายมันก็รูดจึงเก่งรูดกายจึงเก่งเคลื่อนไหวก็เหมือนกันกิริยาที่เคลื่อนไหวเหมือนกันหมดมันก็ดูอย่ากไหนมันก็เห็นอยู่เนี่ยสิ่งที่เห็นต่อหน้าต่อตามันก็เห็นว่ามันคืออะไรมันเราเห็นหน้ากันนะเห็นหน้ากันทีแรก็จํำได้เห็นใหม่ๆก็จํากันไม่ได้ หเห็นกันไปนานๆก็จํากันได้รู้นิสใสใจคอรู้จิตยามารยาทเป็นเพื่อนเป็นพิษเป็นมิตรแทร่เมตรเทียมอย่างไรก็ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลคนนั้นได้อย่างถูกต้องถ้ามิตรเทียมก็ให้ระมัดระวังถ้ามิตรแทร่ก็เออไว้เนื่อเชื่อใจเพื่งนพื่ออาศัยกัดได้นะเป็นอย่างนี้ในชีวิตของเร า, าการ็เหมือนกันมันมีอะไรยเยอะแยะมันมีของเท็จของเก่งของที่เป็น ทำให้เศ้าหมองของที่ทาให้สะตาดหมดจดไม่เหมือนกันมาพบมาเห็นเข้ากับชีวิตจิตใจของเราเนี่ยการเข้าถึงศาสนาพุทธศาสนาคือชีวิตของเราชีวิตที่ไม่ต้องทุกข์ไปโลภไปโกรธไปหลงเรียกว่าพุทธบริสสะถ้าเราจะเรียกว่าพุทธทางสดังกระชามยกมือไหว้ตัวเองก็ได้พุทธทางสดงกระชามไหว้ตัวเองเพราะเราไม่ โลภไม่โกรธ ไ, ไม่หลงโลาให้ทุกข์เราไม่เบียดเบียนตนเราไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่หากว่าเรายังโกรธยังโลภยังหลงยังเบียดเบียนตัวเองคนอื่นอยู่ถ้าจะว่าพุทธทังสนังฆฉาเนี่ยมันน่าอายพุทธะจริงจริงพุทธบริสัทธ์เป็นชาวพุทธจริงจิงต้องทำตัวเองจิตใจบริสุทธิ์เก่เก่าล่วงพ้นภาวะเกา่าเก่าภาวะเกา่าเก่าไปไหมมันเป็นภาวะใหม่ๆขึ้นมาจิตบริสุทธิ์กับจิตไม่บริสุทธ์ ความบริสุทธิ์หมดจดของชีวิตของเรานะ่อันนี้ก็ไปเทปไปเนี่ยอ้าวไปเป็นพ่อคนแม่คนไปเป็นครูอาจารย์ไปเป็นลูกเป็นล้านเป็นเพื่อนเป็นพนุษย์ทั้งหลายไปช่วยกันแล้ววันนั้ไปช่วยกันแล้วว่นนั้นเนจเริญรุ่งเรืองมีแต่คนดีเกิดขึ้นสองคนดีถ้าคนดีเกิดขึ้นพ่อดีแม่ดีลูกก็จะดีลูกหลานก็จะดนะีถ้าไม่ดีเกิดขึ้นมันก็ไม่ดีเลยไป มันติดกันได้มนุษย์คนเราน่ะมันจึงมีศาสนาไม่เหมือนสัตว์สัตว์นี่มันไม่มีกรรมเหมือนกับมนุษย์เหมือนกับคนเราแต่ว่าธรรมชาติก็ช่วยเขาคนเราต้องอาศัยสูตรอาศัยข้อมูลอาศัยอะไรต่างๆเหมันอยู่ปัญญาเนี่ยต้องอาศัยบรรพรุษเช่นยาแย็บพิษสัตว์กัดต่อยโบราณท่านก็สอนว่าให้เอา ลากพยาลากดำํำมาฝนไก่หน้ามะนาวเอาไปทาตะขาบแมงป่องงูกัดอันดูดพิษเราไปทาลองดูใชมันก็หายมันก็ดูดออกได้จริงๆเราไม่ต้องไปเสียเวลาค้นคิดในชีวิตของเราก็เหมือนกันสูตรโทษสูตรต่สติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าค้นพบเราไม่ต้องไปบกมุ่นหาอะไรอีกนะเนี่ยอันนี้เป็นเป็นสูตรจางไห น, น แต่ถ้าสัตว์เดรัจฉานบางประเภทมันอาจจะเก่งกว่าเรานะอย่างไก่ในวัดป่าสุขโตนะแต่ก่อนก็ปลูกหญ้าปากกิ่งหญ้าเทวดาเต็มไปหมดเลยนะพอมีไก่มากไก่มันไปกินหมดเลยจนะ้ะะแต่คนเราไม่รู้จะกินว่านส้มมันเป็นหญยาคนไปค่อยกินไก่ไปกินหมดเลยบางทีหญ้าอะไรต้นอะไรต้นเฟ้าทลายจนเนี่ยขมๆเนี่ยคนไม่อยากกิน แต่ไก่ไปกินเลยหรือดูบางฤดูสังเกตดูไก่ไปเลยจะกินนะพวกสัตว์บางประเภทนะอย่างฟังฟอนกับงูเห่าทาไมงูเห่ากัดฟังฟอนไว้ตายฟังฟอนมันมียาอะไรเวลามันจะสู้กับงูเนียเคยเห็นไหมพวกเราเคยเห็นฟังฟอนสู้กับงูไหมดูจากฟังฟอนบ่จอนฟอนรู้จักบ่กับงูเห่าลองฟอไปอยู่เขาตะกุกละจังหวัดป่ากินบุรี กอนที่จะมาอยู่นี่เนี่ยสมัยก่อนมันความเป็นหนุ่มเห็นเขาที่ไหนเรามันชอบมาวันฝ่ายฝันอยากไปอยู่บนหลังเขาก็ไปอยู่เขาตะกุกตะ ก, กินบุหรีด่ดงเขาตะกุกน้ำหน้านะ ม, มีน้ําซับนั่งอยู่โอ้ไม่งูใหญ่ก็มีฟงฟอนฟงพอนเวลามันจะสู้กับงูงมันเขี้ยวนะเขี่ยวเสรันดร มันเที่ยวปากจุดจุดจุดจดจดจุดจนปวกปากเป็นฟองไปเลยเหมือนเราเอาแฟบใส่น้าเลยมันเที่ยวคนจุดจุดจุดจุดจดจุดจดจุดจุดจุดโอมันปากมันเสลดฟังฟอนเลยก็เรียกว่าเสลตฟังฟอนมันฆ่าเสเลตออกมาว่าสู้กับงูโอ้ยงูได้ไม่สู้เลยตายเลยไม่มีน้ํายาเลยงูตัวใหญ่เนยพอเห็นเสลตฟังฟอนเข้าไปมันยอมเลยนะเนี่ยพวกสัตว์บางประเภทมันไม่อะไรดีๆหรือย่าง ทางพวกก็เลี้ยงผาสมัยหนึ่งก็ไปอยู่เขาพระบาทบุ บ, บกมีเลี้ยงผาตัวหนึ่งเอามาเอามาขังไว้แล้วก็มีรวดน้ําแน่นหนามากเวลามันขึ้นมันย่อยมันก็โดดชนรวดหนาพังไปเลยวิ่งเข้าป่าวิ่งออกมาหาเจ้าของเลือดเต็มตัวไปเลยจากรวดหนามมันเลียรบเล็บรบลบรบเหายไปเลยไม่เห็นแผลเลยนะเราก็ใจไปอาศัย น้ำมันเลียงผามาเป็นจารักษาแผลรักษากระดูกอะไรต่างๆได้เพราะฉะ น, นั้นสัตว์ฟังไผ่เพศมันไม่เหมือนคนเราคนเรามันมีบาปมีกรรมมันติดกันถ้าบุญมันก็ติดเอาบุญนะถ้าบาป น, นก็ติดบาปจึงมีาศาส์สนาจึงมีการปฏิบัติชีวิตของเรามันมีกรรมอย่างวันนี้เราโกรธพรุ่งนี้ก็ต้องโกรธต่อไปวันนี้เราไม่โกรธพรุ่งนี้ก็ไม่โกรธต่อไปกรรมมันจําแนกไป จึงสมควรที่ต้องมาศึกษาปฏิเสธไปได้การศึกษาศาสนาคือผู้ที่ไม่ศึกษาในเรื่องศาสนาก็คือปฏิเสธตัวเองที่นี่เราจึงมีวิธีปฏิบัติศาสนานสอนให้ลูกจากตัวเองให้มันจบซะอย่าให้มีเวรมีกรรมให้มันจบในชาตินี่พบนี่นะความโรคของโกรธความหลงกิเลสตัณหาละคะอย่าได้เอาสิ่งแล้วนี่ไปกลังควรไป เบียดเบียนตัวเองไปเบียดเบียนคนอื่นให้มันจบลงให้มันเย็นสงบร่มเย็นจะได้อยู่เย็นเป็นสุขไม่ใช่ไปสร้างกองทัพสัตว์อาวุธยุธโทโธปรกรณ์มาเขีนมาฆ่ากันหลวงพ่อไปดูเห็นลองก้าเคยไปไหมเห็นลงก้าไปดูภูข้อโอ้ยเขาสร้างปืนมายิงกันไม่รู้ว่าจีแบบเอาปืนมายิงกันโถคนเราเนี่ย ถ้ามาสอนธรรมะกันไม่จำเป็นต้องไปเอาปืนเอาลูกระเบิดเอาเครื่องบินไปทิ้งไ ป, ไปขีนไปฆ่ากันมาสอนกันให้รู้จักรูปจักนามให้รู้จักกายจักกิจให้มีเมตตากรุณาเนะี่ยมันจะไปต้องไปทำแบบนั้นหรเพราะเพราะนั้นนี่หลักคีวิตของเรามันต้องมาจบลงตรงนี้ จบลงอย่างงดงามสลูบเลยปิดลงไปเลยชีวิตเราสลูปลงตัวไม่มีอะไรนะเนี่ยคาถาพระละหันเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนในสิ่งที่เป็นทุกข์มันก็มีมรรคผลในพานในสิ่งที่ไม่เที่ยงก็มีมรรคผลในพานในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนก็มีมรรคผลในพานมองแบบราบลื่นเนี่ยราบเรียบจริงๆชีวิตเรานะนะปฏิบัติธรรมจเจริญสติแบบนี้ละ่ะ